ตัดสินจากแนวโน้มวิธีคิดตอบโต้กับโลกจะทำโดยคุณแม่ประภัยวงทางประเสริฐวิธีคิดก็คือวิธีปรุงแต่งให้เป็นดีบ้างเป็นชั่วบ้างความคิดสีดำย่อมย้อมจิตให้ดำตามความคิดสีขาวย่อมฟอกจิตให้ขาวด้วย โลกมักส่งแรงประทะมาถึงเราและปฏิกิริยาทางความคิดโต้อตอบก็บอกได้ว่าจิตวิญญาณของคุณยกขึ้นมาถึงระดับไหนการสำรวจวิธีคิดก็คือการขุดคุยลงไปถึงลมมืดหรือขุมพลังความสว่างของจิตนั่นเองยิ่งคุยลึกเข้าไปคุณจะยิ่งพบ ก, กับข้อเท็จจริงที่ว่าจิตวิญญาณของตัวเองและทุกคนในโลก ต้องเริ่มออกตัวจากหลมมืดทางความคิดกันทั้งนั้นเช่นวัยเด็กทุกคนจะตอบโต้กับสิ่งกระทบตัวที่ไม่น่าพอใจเป็นการแหกปากร้องจ้าหรือไม่ก็ตรงเข้าไปทุบตีคนที่มาทำให้ตนเจ็บทันทีอีกทั้งไม่แน่ด้วยว่าเมื่อเติบโตขึ้นแล้ววิธีคิดตอบโต้กับโลกจะเปลี่ยนไปแล้วหรือยังเหมือนเดิมคุณอาจสารวจสังเกตจิตวิ ญ, ญญาณตนเองจากแง่มุมเหล่านี้ดู การมองกันในแง่ไม่ดีคนรู้จักกันไม่ทำกรรมต่อกันนั้นไม่มีมีแต่กรรมจะเป็นไปในทางดีหรือทางร้ายแค่รู้จักกันคนเราก็เริ่มทำกรรมต่อกันแล้วหรือกระทั่งเตรียมพร้อมจะเป็นศัตรูกันแล้วอาทิเช่นรู้สึกว่าหน้ามันใสแอบคิดค้อนขอดวิจารหน้าตา รู้สึกว่าน่าจะรวยคิดว่าเดี๋ยวจะตีซีหลอกเอาเงินรู้สึกว่าน่าจะโง่กระยิมยิ้มด้วยความคิดว่าน่าจะหลอกใช้ได้ไม่ยากเหล่านี้ล้วนเป็นกรรมทางใจเป็นมนโนกรรมในทางอกุศลทั้งสิ้นพิจารณาดูคุณจะพบว่าหลายครั้งจุดเริ่มต้นของการทำกรรมต่อกันต่อเวรกันหรือเริ่มผูกเวรกัน มีชนวนตั้งแต่ใบหน้ากระทบตากันแล้วไม่ต้องรอให้นานไปกว่านั้นเจอการแล้วเริ่มคิดไปในทิศ ท, ทางใดโอกาสที่จะก่อกรรมทางคำพูดและการกระทาทางกายก็คลี่คลายไปทางนั้นในพระธรรมบทพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานธรรมะทั้งหลายสำเร็จได้ด้วยใจซึ่งก็หมายความว่า กรรมสำเร็จด้วยใจก่อนแล้วจึงเปล่งเสียงพูดหรือลงมือกระทําการในภายหลังจากนั้นก็เกิดผลของการกระทําตามมาในระยะสั้นหรือระยะยาวพบทั้งปวงธรรมะทั้งปวงจึงไหลามาจากกรรมทั้งใจทั้งสิ้นถามว่าเหตุใ ด, ดคนส่วนใหญ่จึงชอบแอบคิดในแง่ร้ายแม้ภายนอกยิ้มแย้มประสานตากันดุดมิด คำตอบคือเราะจิตเหมือนน้ำที่พร้อมจะไหลลงต่ำคนเรามีอิสระที่จะคิดไม่มีใครห้ามได้และเมื่อมีอิสระที่จะคิดก็แปลว่ามีแนวโน้มจะไหลลงสู่ที่ต่ำมากกว่าจะทวนกระแสขึ้นสูงคนเราเต็มไปด้วยกิเลสกิเลสเปรียบเหมือนไฟและไฟก็ก่อควันดำขึ้นมาเป็นความคิด แม้ปกปิดไว้ด้วยกำแพงขาวอันได้แก่นเนื้อหนังแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าอย่างไรก็เห็นได้ด้วยใจตนผู้ที่ปล่อยใจให้ไหลาตามความคิดจึงมักเป็นผู้มองคนอื่นในแง่ไม่ดีหรือเห็นแง่ที่น่าขกขันชวนหูร้อยย่อผลอันเป็นที่สุดจึงเป็นการสะสมมุมมองอันเป็นลบต่อโลกจึงเป็นจิตวิญญาณที่ไหลเรื่อยไปตามกระแสอันเป็นลบของโลกนี้และโลกหน้า การสั่งสมมุมมองอันเป็นลบ ก, กับคนเกือบทั้งโลกไว้ยอมยากที่จะรู้สึกว่าตนเองอยู่กับโลกที่เป็นบวกความเชื่อเกี่ยวกับโลกดีๆโลกที่งดงามจึงแทบเป็นไปไม่ได้จิตวิญญาณที่หมกมุ่นอยู่กับกระจุกความคิดไม่ดีจะให้ความรู้สึกมันมีอะไรไปอุดตันทำให้ระบายออกไม่ได้โปร่งโล่งไม่ได้สว่างแจ้งไม่ได้ หาทางออกให้เกิดความรู้สึกดีๆได้ยากแต่หากฝึกที่จะมองให้เห็นโทษของการมองกันในแง่ร้า ย, ายทุกครั้งที่เกิดสติเห็นกระแสความคิดด้านมืดก่อตัวขึ้นในหัวคุณจะรู้สึกถึงแรงผลักออกสิ่งอุดตันระบายออกไปได้บ้างแรกๆจะเหมือนไม่เกี่ยวอะไรกับจิตวิญญาณเป็นเรื่องของคลื่นสมองกลางศีษะเท่านั้น เมื่อกลุ่มความคิดสีดำถูกปลดปล่อยออกไปมากเข้ามากเข้าความปลอดโปร่งโล่งหัวและลามแผ่สบายไปตลอดตัวจะปรากฏนั่นแหละคุณจะรู้สึกถึงจิตวิญญาณสีขาวไม่อยากคิดร้ายไม่อยากยอมให้ความคิดร้ายๆ ย, ยอมติดความมักโกรธ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลกรร ม, มวิพังคสูตรความว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามหากมักโกรธอัดแน่นด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจผูกใจเจ็บมีความอาฆาตมาตร้ายแสดงความกระฟัดกระเฟียดง่ายเช่นนี้หากได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะเป็นผู้มีผิวพรรณซามเราเคยทราบมาว่า ศีลเป็นเหมือนอาพอรประดับจิตรักษาศีลได้งามเพียงใดผิวพันธ์ก็ผุดผาดผ่องใสเพียงนั้นแต่คราวนี้เราได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มนั่นคือแม้อาการโกรธง่ายแสดงสีหน้าสีตาบ่งบอกอารมณ์ขึ้นลงง่ายเกินไปก็มีผลกับผิวพันธ์ด้วยเรียกว่าถ้าศีลงามแต่มักโกรธก็อาจครึ้งครึงกลาง ดูเพินๆ เ, เหมือนผุดผ่าดแต่มองใกล้ๆแล้วดูหยาบไม่ใช่เนื้อละเอียดแต่หากศีลงามด้วยเป็นผู้โกรธยากเก็บอาการอยู่จิตใจสว่างด้ยรัสมีเมตตาเป็นปกติอย่างนี้เนื้อหนังก็ละเอียดผิวพันธุ์ก็ผุดผ่าเต็มสภาพเท่าที่จะดูดีที่สุดได้สำรวจเอาจากจิตวิญ ญ, ญาณของตนเองก็ได้หากคุณเป็นพวกมักโกรธ แสดงความหุนหันพลันแล่นกระฟัดกระฟีดง่ายอะไรนิดอะไรหน่อยก็ปึงปังหาความอดกลั้นไม่ได้เลยคุณจะรู้สึกขุ่นข้องหมองใจได้เกือบตลอดเวลาถามว่าจิตแบบนั้นน่าจะเป็นนิมิตหมายแสดงผิวพรรณที่ขาวงามหรือว่าดำด่างมีเรื่องตลกอย่างหนึ่งคือผู้หญิงผิวพรรณขาวสวยผุดผ่าดราวกับนางฟ้านางสวรรค์มักหุดหิดง่าย หรือกระทั่งโมโหร้ายอดทนต่อสิ่งกระทบหรือเสียงพูดไม่เข้าหูได้ยากจึงมักมีคนสงสัยกันว่าถ้าศีลและความเมตตาเป็นเหตุให้ผิวพรรณงามแล้วชะไหนแม่นางเหล่านี้จึงโกรธง่ายหายช้าให้เห็นเช่นนั้นเล่าคำตอบคือเมื่อเจอครูดีมีแรงบันดาลใจมากคนเราจะประกอบบุญกุศลแค่ไหนก็ได้ ให้รักษาศีลหรือแพเมตตาสุดโลกอย่างไรก็ไม่ติดขัดผลจึงออกมาเป็นผิวพันในชาติใหม่ละอาตาดังที่เห็นแต่พอเกิดใหม่แล้วลืมหมดว่าผิวพันดีต้องแลกกับอะไรจำได้แต่ว่าเกิดมาก็เป็นเด็กที่มีแต่คนพเนาพนอเอาใจชื่นชมว่าสวยสรรเสริญว่าเป็นเทพธิดาลงมาโปรดโลกโตขึ้นเต็มไปด้วยหนุ่มๆ ห, ห้อมล้อมรุมแย่ง ธรรมชาติของกิเลสยอมยุให้หลงตัวไม่ยอมอดทนกับอะไรที่ไม่ได้ดังใจกับทั้งเห็นว่าใครต่อใครต่างหากเป็นนี่บุญคุณความสวยความงามของตนต้องตอบแทนหรือต้องชดใช้กันให้หมดทางมาของความมืดและความสว่างเป็นอย่างนี้หละไม่มีใครได้อยู่สูงตลอดไปไม่มีใครตกต่ำตลอดการ ดูได้จากเหตุผลทางจิตวิญญาณที่ปรากฏให้ประจักษ์ได้ในชาตินี้เพียงชาติเดียวความเกลียดคนน่ารังเกียดอาจอยู่ข้างบ้านในที่ทำงานหรือกระทั่งตามแหล่งท่องเที่ยวถ้าคุณหาทางเป็นอิสระจากความเกลียดไม่ได้ โลกทั้งใบก็ไม่ต่างจากคุกจิตวิญญาณของหลายคนเหมือนติดคุกมืดมาทั้งชีวิตติดได้ทุกวันไม่เคยออกมาเป็นอิสระกับฟ้าแจ่มแห่งความรักความเอ็นดูบ้างเลยเราะมัวแต่สมัครใจยอมทนมืดบอดราวกับติดอกติดใจความเกลียดอยู่ไม่สางไม่ว่าจะเกลียดอะไรก็นับเป็นคุกมืดได้ทั้งนั้นคนที่เห็นจิตวิญญาณของตนสว่างแจ้งมาบ้าง จะเปรียบเทียบได้ชัดว่าความเกลียดนั่นเองเป็นเหตุแห่งความมืดยืดยาวเกลียดแล้วเป็นทุกข์เกลียดแล้วคิดไม่ดีต่างๆนานาขณะเกลียดแรงคุณจะรู้สึกราวกับถูกขังไว้ในที่แคบจริงๆแม้กระทั่งแก้วตาก็เห็นโลกภายนอกราวกับมองออกมาจากเงามืดตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าเพื่อนที่ออฟฟิศชอบพูดจาระคายโสด ตะค้างบ้านชอบตัง่วงเล่าร้องเพลงดังๆหรือปล่อยสุนัขมาขี่จนหญ้าบ้านคุณตายเป็นแผงมันอยากแกล้งพอกพูนความเกลียดไว้กับใจคุณให้หนาขึ้นทุกทีคุณต้องถือเป็นโอกาสเห็นสภาพติดคุกมืดของจิตวิญญาณตนเองให้บ่อยเมื่อเห็นบ่อยเข้าจะได้เบื่อคุกอยากออกจากคุกเพื่ออิสรภาพทางจิตวิญญาณไปเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ ในที่สุดเมื่อเป็นอิสระได้คุณอาจนึกขอบคุณเจ้าตัวคนที่สร้างความเกลียดให้กับคุณถึงแม้ในทางปฏิบัติคุณจำเป็นต้องเดินหน้าหาข้อยุติดีๆกับเขาหรืออาจจะกระทั่งใช้ไม้แข็งบางอย่างทางกฎหมายบ้านเมืองกับเขาแต่ใจคุณจะไม่กลับไปติดคุกแห่งความเกลียดอีกเลยเมื่อไม่ติดคุกแห่งความเกลียดพบใหม่ของคุณย่อมไม่มืดมน ไม่เต็มไปด้วยผู้คนที่คิดแก้แค้นเอาคืนเป็นแน่ความเห็นประโยชน์ของการออกจากคุกต่างจิตวิญญาณ น, นั่นแหละคือหนทางสู่อิสระส่วนการยอมถูกความเกลียดครอบงำนั่นแหละหนทางลาดลงสู่การก่อกรรมดาเพื่อให้ผลเป็นคุกมืดในทางใดทางหนึ่งลงไปโดนขังเมื่อใดก็ดิ้นให้หลุดยากเมื่อนั้น และเมื่อเลิกเกลียดเสียได้บางทีอาจเห็นความน่ารังเกียจที่ยังแอบซุกซ่อนอยู่ในซอกมืดของจิตวิญญาณคุณเองธรรมดาเมื่อเลิกเกลียดคนน่ารังเกียจได้คุณจะออกห่างจากวงจรอุบาทไม่มีแนวโน้มในการเข้าไปเป็นพวกเดียวกับเขาคุณจะไม่นึกอยากทำตัวน่ารังเกียจเสเองแตกต่างจากคนที่เอาแต่ดา่าหรือเอาแต่ผูกใจเจ็บคิดแก้แค้นให้เจ็บแสบสาบสาม สังเกตดูเธอว่าไปไปมามาก็ทำแบบเขาเข้าตำราว่าเขาอีนนวเป็นเองกันเป็นส่วนใหญ่นั่นเพราะอะไรเพราะความเกลียดมีแรงดึงดูดจิตวิญญาณไปเป็นพวกเดียวกับคนที่คุณรังเกียจนั่นเอง